สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่แยพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยห้าสิบหกทำอภิษฐานของพระเยซูครั้งที่สามสิบเอ็ดในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพี่น้องครับเรามาดูหลักของการอภิษฐานนะครับการอภิษฐานนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่เรามีต่อสภาพแวดล้อมมากกว่าเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเอง นะครับเน้นตรงนี้นะครับการอิจฉานั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่เรามีต่อสิ่งแวดล้อมครับมากกว่าเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเองเราต้องเจริญรอยตามพระลักษณะของพระเจ้านะครับและไม่ว่าสภาพแวดล้อมของเราจะเป็นอย่างไรมันก็จะถูกเปลี่ยนแปลงได้เพราะศาสนะของเรานั้นเปลี่ยนแปลงหมายความว่ามันขึ้นอยู่กับการมองของเราครับถ้าเรานะครับรับสภาพไม่ได้แต่เปลี่ยนการมองนิดเดียวครับมันก็เปลี่ยนได้ ครับการอธิษฐานนี้ก็เป็นการที่เราขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราเปลี่ยนทัศนะนะครับเราเคยคิดลบกับของบางอย่างคนบางคนขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะคิดบวกเมื่อเราคิดเองไม่ได้พระเจ้าจะช่วยเราและนี่คือความจําเป็นในการอธิษฐานครับผมเองนั้นก็เชื่อด้วยว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้และก็ในขณะเดีวยวกันครับเราก็ยังต้องอธิษฐาน เพื่อสําหรับสิ่งแวดล้อมที่พระเจ้ายังไม่เปลี่ยนเพื่อคนเหล่านั้นให้เขาได้รับความรอดให้เขาได้เอาชนะปัญหาที่เขามีอยู่แค่เดียวกันครับเราทั้งหลายก็เหมือนกันเราจะต้องอยู่รอดได้ในขันเดียวกันครับเราจะต้องเอาชนะปัญหาที่เรามีอยู่ได้โดยการอธิษฐานครับพระเจ้าไม่เพียงแต่เลือกคนมาถึงความรอดแต่พระเจ้าก็ยังมีวิธีการของพระองค์ บางครั้งคําอธิฐานของเราก็เป็นหนึ่งในวิธีการเหล่านั้นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นนํามาสรงความภาคภูมิใจใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราอธิษฐานนั้นเป็นหน้ามาไทยของพระเจ้านะครับเป็นวิธีการของพระเจ้าที่พระเจ้าจะใช้เราหรือใช้คนอื่นหรือใช้สิ่งแวดล้อมที่จะทําให้คนคนหนึ่งกลับใจใหม่เติบโตขึ้นในพระเจ้ารักการอธิษฐานมีชีวิตที่เป็นพยานและประกาศข่าวประเสริฐ เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงความเข้าใจในแง่บวกในธรรมที่สารที่ว่าขอให้เป็นไปตามพระไตรปิฎกแสดงว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับโอ้โหเป็นไงครับยิ่งใหญ่ไพศาลมากยิ่งใหญ่มากครับเพราะว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่นะครับความหมายก็คือว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นกว้างใหญ่ไพศาลครับ เมื่อกว้างใหญ่ไพสารครอบคุมทุกสิ่งทุกอย่างมีเป้าหมายนะครับชัดเจนและนำมาซึ่งสิ่งที่ดีเพราะเป็นแผนงานแห่งความสุขนะครับไม่ใช่แผนงานแห่งความทุกข์ในการดำเนนกันครับพระเจ้าก็ยังอดทนอดกลั้นครับอดทนอดกลั้นในเรื่องอะไรก็อดทนอดกลั้นในเรื่องที่ว่าพระองค์ได้ส่งอนุ ญ, ญาตให้ ความบาปยังดำเนินต่อไปได้นะครับในระยะเพียงแค่ชั่วข่าวนะครับบางคนก็คิดถึงเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์ในอดีตที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์บ้างมีโรคระบาดเกิดขึ้นบ้างมีอาณาจักรบางอาณาจักรที่ทำชั่วทำผิดทำบาปอย่างใหญ่โตนะครับ แต่นั่นไม่อาจเปรียบเทียบกับสภาวะนิรันดรการนิรันดรการของพระเจ้าได้เรเห็นนะครับว่าหลายครั้งนั้นพระเจ้าก็มีเป้าหมายนะครับในนามาไยของพระองค์แต่ว่ามนุษย์นั้นยังไม่จับเพราะฉะนั้นหลายครั้งมนุษย์เองนั้นก็ต่อว่าพระเจ้าครับเรามาดูในพระธรรมเยเรมีบทที่51ข้อ29นะครับ51 ข้อยี่ิบเก้าของพระธรรมเยเรมีกล่าวอย่างนี้นะครับว่าเพราะบรรดาพระประสงค์ของพระเจ้านั้นก็ตั้งมั่นอยู่เห็นไหมครับเพราะบรรดาพระประสงค์ของพระเจ้านั้นก็ตั้งมั่นอยู่จึงไม่น่าแปลกใจใช่ไหมครับที่แผนการของพระเจ้าในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นดําเนินไปตามหน้ามาไทยเป็นแผนการหลักของพระเจ้าไม่น่าแปลกใจใช่ไหมครับที่พระเจ้าทรงกระทําพระราชกิจของพระองค์ให้บรรลุพระประสงค์อันสูงสุดของพระองค์ คํามผีข้อนี้นะครับทำให้เราชัดเจนและเราจะมีความหวังใจครับว่าพระประสงค์ของพระองค์นั้นตั้งมั่นอยู่นะครับไม่เคยหวั่นไหวเลยเรามาดูในพระธรรมอิสยาครับอีกบทหนึง่งบทที่สิบสี่อิสยาบทที่สิบสี่ก็ยี่สิบสี่ถึงก็ยี่สิบเจ็ดนะครับกล่าวว่าพระเจ้าจอมโยธาได้ปฏิญาณว่าเรากะแผนงานไว้อย่างไรก็จะเป็นไปอย่างนั้น และเราได้มุ่งหมายไว้อย่างไรก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งนะครับพระเจ้าจอมโยธาได้ทรงปฏิญาณว่าเรากะแผนงานไว้อย่างไรก็จะเป็นไปอย่างนั้นและเราได้มุ่งหมายไว้อย่างไรก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นถ้าอ่านต่อนะครับแจะพบว่าพ้อมคีได้เขียนต่อ น, นี้ครับว่า นี่เป็นความมุ่งหมายที่ได้มุ่งหมายไว้เกี่ยวกับแผ่นดินโลกทั้งสิน้นแต่นี่เป็นพระหัตถ์ที่เหยียดออกเหนือบรรดาปะจะชาชาทั้งสิน้นเพราะพระเจ้าจอมโยธาทรงมุ่งไว้แล้วผู้ใดเล่าจะลบล้างเสียได้พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงเหยียดออกแล้วผู้ใดจะหันให้กลับได้พี่น้องครับผมอยากจะเรียนพี่น้องว่าธรรมะไทยหลักของพระเจ้านั้นเมื่อพูดถึงเรื่ององความเจ็บป่วย พระเจ้าไมいい่ได้ทรงปรารถนาให้ผ like ู้ใดเจ็บป่วยเลยเพราะความเจ็บป่วยนั้นเป็นผลผ่องของความเสื่อมความเจ็บป่วยนั้นเป็นผลผ่องของความบาปนะครับแต่พระองค์อนุญาตครับพระองค์อนุญาตให้มีความเจ็บป่วยเพื่อบรรลุเป้าหมายของพระองค์เองนครับปวดฟังครั้งพระเจ้าไม่ได้ทรงปรารถนาให้ใครคนหนึ่งคนใดเจ็บป่วยแต่พระองค์ทรงอนุญาต ให้มีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายของพระองค์เองหลายครั้งนะครับความเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับตัวผมเองผมได้รับบทเรียนต้องเรียนรู้หลายถึงหลายอย่างเมื่อผมได้เรียนรู้แล้วนะครับหลายครั้งเกี่ยวข้องกับความผิดความบาปสิ่งที่ไม่สมควรทำก็ไปทำสิ่งที่สมควรทำก็ไม่ได้ทาพระเจ้าก็ประทานความเจ็บป่วยมาให้เพื่อที่เราจะหยุด แล้เราจะคิดครับเแตนเมื่อเราหยุดเราคิดเราก็คิดออกตามที่พระวิญญาณได้เปิดเผยกับเรารู้เมื่อคิดออกครับผมก็คุกเข่าอธิษฐานจารภาพทันทีครับอาการเจ็บป่วยนั้นก็ค่อยๆ ด, ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพี่น้องครับเห็นไหมครับว่าสิ่งที่พระเจ้านั้นได้อนุญาตให้ความเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับชีวิตของผมก็เพื่อบรรลุเป้าหมายของพระองค์องเอง ความเจ็ป่วยที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของผมก็คือการเป็นมะเร็งครับพี่น้องการไปมะเร็งตรงเนี้ทําให้ผมได้มีโอกาสรับบทเรียนจากพระเจ้าแต่ผมถือบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่เรียกว่าการทรงเรียกหรือที่ว่าคอล l i n g ครับการทรงเรียกตรงนี้ทําให้ผมได้มีโอกาสหยุดคิดเพราะเหตุที่ว่าเกิดเป็นมะเร็งนะครับรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกซึ่งถือว่าเป็นการยากนะครับที่จะรอดจบจบ จ, จน ปีนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นปีที่ยี่สิบแล้วที่น้องขับพระเจ้าอนุ ญ, ญาตให้ความเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นกับผมเพื่อบรรลุเป้าหมายของพระองค์เองถ้าวันนั้นพระเจ้าไม่ได้เรียกผมด้วยการเจ็บป่วยบางทีวันนี้ท่านอาจจะยังไม่ได้ยินเสียงผมก็ได้พระเจ้าไม่ น, นี้ปรารถนาให้ความตายเข้ามาครอบงามนุษย์แต่ผู้คนล้มตาย ตามพระประสงค์ของพระองค์เพื่อเป้าหมายและเพื่อพระสิบริของพระองค์เองนะครับเพราะเนื่องจากว่าโรบที่แปดเขายีตแปดบอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับคนตายนะครับพระเจ้าอานุญาตให้ความตายเกิดขึ้นนะครับเพื่อเป้าหมายและเพื่อพระสิบริของพระองค์ ถึงแม้ว่าพระเจ้าไม่ขอไทยเรื่องความชั่วความบาปแต่พระองค์ก็ทรงเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ในชีวิตของเรารวบรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดผลดีในทุกสิ่งทุกอย่างเราดูพระภีกบทนั้นครับก่อนที่เราจะจากกันในเช้าวันนี้เอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่เก้าครับกล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เรารู้ความล้าลึกในพระไตรปิฎกตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์ ซึ่งทรงทรงดำริไว้ในพระคติคัมภีร์ข้อนี้ชัดเจนครับกล่าวถึงเรื่องของความรอดความรอดนั้นได้แก่การยกโทษบาปจากพระเจ้าและการทรงไถ่าตามพระเจตนารมณ์อันกว้างใหญ่กว้างขวางของพระเยซูแล้วก็พูดถึงเรื่องที่ยิวกับคนต่างชาตินั้นจะต้องรวมเข้าด้วยกันเขพูดอย่างนี้นะครับว่าประสงค์ว่าเมื่อเวลากําหนดครบบริบูรณ์แล้ว พระองค์จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์ในแผน่นดินโลกตามพระค ร, รมภีิ์ของพระองค์ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งตามที่ตรัตองไว้สมกับพระไัยของพระองค์นี่คือพระประสงค์อันยิ่งใหญ่ครับของพระเจ้าที่มีไว้สำหรับผู้ที่รับการไถ่แล้วเท่านั้นมีไว้สำหรับคริสตจักรคริสชมที่รวมกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันเท่านั้น มีไว้สำหรับบรรดาธรรมิกชนที่เป็นกายเดียวกันอยู่ในขรวรกายของพเยตูตลอดชั่วนิรันดรเท่านั้นี่นลองครับนี่คือสิ่งที่น่าคิดในการอธิษฐานในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกอาเมน